วาบารนาสินแปนั่พระแล้ว จัโมตัตะะวาโตระโตสมมาสมบูตตะนาโมตัะะวโตระโตสมมาสมบูตะนาโมตัะะวโตระโตสมมาสมบูตะ พุทธังสารนังคาชามิธรรมสารนังคา a ามิสัังสรังามิัังสรังคามิัังรังามิัังสรังคามิ อยาเปสารนังอาชามียู่ีย่างเปสารนังอชามีอยู่ียางเปสังังสารนังอาชามียู่ียางเปสังังสารนังอชามีอย่ยเป็บุททางสารนังอาชาม ตัยัมปุทังสารังจามิตัยัมปธรมังสารังขามิตัยัมปีธรรมังสารนังขจามิตัยัมปีสังังสารังขจามตัยัมปีสังขังสรณังขจามิเทนักเทีตังอามะคันเตปณัติปัตาเวรมสิกาปังสมาทิยาม ปานติปัตาเวรมณีสิกขาป a ตตังสมาธียามิอะนนาดานาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธียามิอะจินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตังสมายามิอปรมาจาริยาเวรมณีสิกขาปัตังสมาียามิอะปมาจาริย วานาเวรมนีสิกขาปังสัมาทิยามิโมซาวานาเวรมณีสิกขาปังสัมาทิยามิโมซาวานาเวรมนีสิกขาปังสัมาทิยามิสุราเมรยัมจักปมมาตานาเวรมณีสิกขาปังสัมาทิยามิสุราเมรยัมจักปมมาตานา เวรมณีสิกขาปัตังสมาธียามิวกาลโพชนาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธียามีวิกาลโพชนาเวรมณีสิกขาปตังสมาธียามินาจจีตวะริตาวิโสกันัญมลากันธาวิเลปนาธาตนมันดาณวิปูตนาธานาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธียามี นาจารีตวะทิตาวิสุขคัสณะมาราธ e รมทวิเลกปณะคารณะมัณฑนาวิภูสนาทนาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิูจจาสยานามาัสยนาเวรมณีสิกขาปัตังสมาิยามิจาสยนมาัยนา เวรมนีสิกขาปัทังสมะทิยามิอิมังอิมังอาางัาคะอาาัานคะสมณะปัทังสมณะปัทภังบุทธาปัญญาตังุปัญญา โพสถังนี่มันจารตงนมันจารติงมัจาเทสังมัจารพสังสัมมาเวะสัมมาเวะอภิระกิตุงอภิรกิตุงสมาิยามสมาิยามข้าพเจ้าพข้าพเจ้าขอสมาทานขอสมานเอาองเอาองอันอัมันประกอบไปด้วยประกอบได้วยองแปประกาศ ท, ที่สมทานไว้ดีแล้วเพื่อจะรักษาไว้ <Mys in burgh> มไม่ให้ขาดไม่ให้ทำลาย <sm all> ในวันหนึ่งกับ <S up> คืนหนึ่ ง, <S <S <up> <S <S <up> งณเวลาวันนี้ขอ <S up> บุญกศลส่วนนี้ <S <S <up> นนนต้องเป็นปัจจัยให้รู้แจง้งซึ่งมักผลนิพพาน ในปัจจุบันในชาตินี้เถิดในปัจจุบันในชาตินี้เถิดิมานอาธาติ้าปดานิอเจกังราินชีวังอุโปโสธาสิลาะเสนาสาทุกังกตวาปมาเดนารกิตบานิสิเลนสุปติงันติสิเลนโูกระสัมปดาสิเล น, นิปุติงันติตัสมาสิลังเวโซทะเย บันสินบันพระให้ละให้เว้นละจากรัจกจะจากโลกละจากโกรธละจากหลงให้มาบำเพ็ญบุญไปวัดไปทำบุญไปรับสาสินถ้ามาแล้วไม่ทำบุญเราก็ลิดสินทำให้จิตไม่ อาดทำให้หีตใจสกกระโปกควาลับไม่มีในโลกโกหกตนเองก็ผิดโกหกหมูพวกก็ผิดชักชวนหมูพวกวันนั่นไปถือศีลไปทำบุญทำทานรักษาศีลทานศีลภาวนาวันศีลวันพระไปวัดทำบุญทำทานรักษาศีลถ้ามีศีลล้วก็มีสมาธิแล้วก็มีปัญญามีความรอบรู้ คนเราสวดมากค่ะการทำบุญไม่มีความรอบรู้เอมรอบรู้อะไรล่ะรู้บาปรู้บุญรู้สุขรู้ทุกทำกันทุกวันทุกวันวันละหนึ่งนาทีสองนาทีพอรู้รสชาติแล้วว่าสุขมันเป็นอย่างนี้ทุกมันเป็นอย่าง น, านั้นก็ทิ้งทุกเอาแต่สุขไม่ให้เดือดร้อนตรงไหนไม่ขอใครอยู่กับใจตนเองอยู่กับ ของเราเองคนเดียวคนเดียวดูลมเข้าลมออกใครจะไปแย่งได้ละ่ะใครจะมาซื้ออได้ไปซื้อที่ไหนก็ไม่ได้ลมบุญนั่นไปซื้อที่ไหนไม่ได้ไม่มีเสื้อขายบาปไม่มีเสื้อขายถ้าไม่ดูลมก็เห็นบาปตาเนื้อเห็นอะไรล่ลำรวยสวยงามนั่นเห็นไหมตัวบาปต้องไปพูดที่ไกล้ๆพูดอยู่ใกล้ๆนี่แหละล่ำรวยสวยงาม นั่นแหละตัวมอนนรกอ ะ, ละถ้าอยากเห็นสวรรค์ก็ดูลมข้อลมบอกสิทําไมไม่ดูละ่ะไม่ได้ซื้อเช่นด้วยดูบุญทําบุญไม่ได้ซื้อแต่ทำบาป ท, ทาฐานทําบาปมันทําชอบทําดีเบาปมันก็เกิดความโลภถ้าเห็นก็เกิดความโลภนัน่นเกิดความอยากเกิดความโลภเดี๋ยวเราขาดอะไรขาดการทําบุญอย่างเดียวนะ เมื่อเวลาไม่ทำบุญกับผลตัวท่ากับจิตใจโลเลโลคเล็บไปทุกอย่างสิ่งทุกอย่างอะไรไม่นิ่งน่คำของควณเจ้าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบสงบคือนิ่งนิ่งสงบเห็นไหมดูลมเข้าลมออกนิ่งดีไหมสงบดีไหมความอยากก็ไม่มีความโลภ ก, ก็ไม่มีความรักก็ไม่มีเอาจากเอาที่ไหนได้ หาที่ไหนได้ที่พระเจ้าหาสินหาธรรมมาสอนคําของพระเจ้าสอนให้ทําบุญพระพุทธเจ้าได้ตรัสรูเพราะทําบุญันเราก็ไม่เข้าใจเพราะไม่ทําบุญก็เลยเอาของไปถวายพระก็ว่าทําบุญทําเป็นได้บุญทําให้เป็นได้บาปอถวายเยอะเกินไปเกินพอดีก็ได้บาปแล้วทําให้เกิดความโลภ นั่นไม่ใช่ตาดขอแหง้ยแล้วมเหลือกินเนละไทย <c oughs> วิชาของซงบั้นจัดไว้ให้เอานิดหน่อยเพราะฉันถ้าเอาอาหารไว้เพราะฉันไม่หมดนะเพราะ อ, อิ่มพอดีพอดีไม่หมดนะต้องไม่อิ่มยังไงก็ไม่อิ่มแน่ฉันแล้วไม่หมดพอดีเลยมดพอดีถ้าว่าอิม่มละไม่หมด เห็หมเหมันแสดงให้เห็นอยู่ในไม่ต้องไปถามใครเราถามตนเองที่ทําอยู่ทุกวันทําทุกวันมันจะทําอยู่เฉยๆทําแล้วก็พัฒนาตนเองว่ามันเป็นอย่างนี้จยางนี้มันไม่พอเอาเท่าไหรไม่พอจึงได้แบ่งปันใ ห, ให้้กระทงเอาอยู่เมืองไทยอะ่ะอาจานใหญ่เท่าไหรก็ไม่พอหาของเสริมเข้าไปถ้วยเล็กถ้วยน้อยเข้าไปอีกเสริมกิเลกเข้าไปอีก <Huh? S 2> พระเจ้าจะใส่ในบาทมันก็สันไม่ได้วิรียตรหนาครอบงำชักนำให้จิตใจต่ำช้าเห็นบอมันครอบงำอยู่ในใจิตใจทำให้ใจต่ำช้าละมันนิดหน่อยลแต่มันมันม น, นงเข้ามันก็สะสมมากเข้ามากเข้าเลยฝนตกมมนใด่ตกเม็ดเดีย ว, วมันท่วมนน่นท่วมนี่มันสะสมไปเรื่อยสะสมไปเรื่อย ใจเศ้าหมองไปเรื่อยๆเศ้ามองไปเรื่อยไ ป, ไปไปมาๆก็เลยเป็นนื้อใไปทางไม่ดี <c oughs> อะไรก็เสริมให้จิเละใส่ช่วยใส่จานใส่ฟ้าบาทใส่นุ่นใส่นี่เสริมจิเลศก็ไปเสริมก็ไปทํา ไ, ไมไม่จับยัดกิเลศเข้ไปหนุ่นกินบ่ได้จะกินแิ่จับยัดเข่ากิเลศจับว่าหนุ่มจิได้จะกิน <c oughs> ขามลงไปที่ขาดจิเลศแทงไว้เห็นหรือ แพงไ่เลยไปสวรรค์ในพานจะแพงไปให้พานไปนรกสิเฮออ <c oughs> าให้เน้นหนักภาคำโบนมันไม่ได้ซื้อเป็นน้นเป็นนี่หาแต่เรื่องมายุ่งให้ใจมันเป็นอะไรก่อนสังขารร่างกายมันก็มีหน้าที่เกิดแจเจ็บตายท่องทำไมละท่องไม่เห็นนั่นเมื่อถือสากปากถือสีนก็มา <c oughs> มีศีลมีธรรมมีศีลมีธรรมมีตะเกียรสข้อมันแล้วก็เก็บนั่นเกบนี่เป็นนั่นเป็นนี่วะปรุงไปแต่งไปคิดไปดีไม่ดีไปไ ป, ไปมามากุ่มไปกุ่มมาฆ่าตนตายนะเห็นไหมเราเพราะความปรุงแตง่งถ้าเข้ามาสมาธิตัวนี้มันก็รูปไปหมดนะอมีปัญญามีความรอบรู้ในกองสังขารเรียกว่าปัญญาอจากให้ทําจุดนี้ เติมนาฏบุญก no? ุศลนกุศลได้ดลบุหลานได้ติพี่น้องได้เสียชละมาทำทานก็ดีรักษาจิตก็ดีนั่งสมาธิเจริญเมตตาภาวนาทำบุญก็ดีเป็นบุญกุศลบุญกุศลตัวนี้บุญกุศลองคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์พระแม่ครูบาอาจารย์ได้ปฏิบัติมาได้จงมาปกป้องคุ้มครองเอาคนได้โดลบุญหลานได้ติพี่น้องจะมีแต่ความสุขคนเจริญทุกกาสุกใจ ให้จากทุกโศกโลกุกไฟการงานกับเงินจึงได้ปัตตนาจึงหนึ่งอันใดจงสำเร็จจงสําเร็จสมดังความปัตตนาจงทุกประการเธอที่ต่างชาติวะอะไรที่ต่างชาติวะ